คำถามสาข้อของจักรพัฒอาตามาได้รับเชิญไปเป็นองค์ปาทกในการสัมมนาด้านการศึกษาที่เมืองเพิดอาตามาสงสัยว่าทำไมเมื่ออาตามาไปถึงสถานที่สัมมนาหญิงคนหนึ่งที่มีป้ายชื่อ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 มาแล้วจากกระพัดองค์หนึ่งทรงแสวงหาปรัชญาในการดำเนินชีวิตท่านต้องการปัญญาเพื่อใช้ในการปกครองและควบคุมดูแลตัวตั่นเองาศาสนาและหลักปรัช ญ, ญาในสมัยนั้นยังไม่เป็นที่พอใจของท่านท่านจึงสแสวงหาปรัช ญ, ญาจากประสบการณ์ชีวิต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 ถ้าโยมอยากจะขอโทษคู่ชีวิตของโยมก็ไม่ต้องเริ่มคิดหาเหตุผลร้อยแปดว่าไม่น่าจะต้องทำรอถนะจงทำเส้เดี๋ยวนี้เลยโอกาสมันอาจจะไม่หวนกลับมาอีกแล้วก็ได้จงคว้ามันไว้เสเดี๋ยวนี้คำตอบสําหรับคำถามที่สองนี้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 ในตอนท้ายนั้นป่าตมาถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียวนั่นแหละเป็นการบรยรยาสำคัญของงานนี้ <S <S เรามากักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตอยู่กับตัวเองดังนั้นบุคคลที่สำคัญมากที่สุดบุคคลที่เราอยู่ด้วยก็คือตัวเรานั่นเอง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 อที่จะขยายความด้วยการเล่านิทานหลายเรื่องอาตามาขอสรุปคำถามสามข้อของจักรพรรดิพร้อมคำตอบอีกครั้ง 1. เวลาสำคัญที่สุดคือเวลาใดตอบปัจจุบัน 2. บุคคลสำคัญที่สุดคือใครตอบ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 ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษายิปติชในปีพุทธศักราช2444ในหนังสือรวมนิทานเรื่องสั้นโดยนักเขียนผู้มีชื่อเสียงอีกหลายท่านเช่นเชคอฟเพื่อช่วยเหลือชาวยิวที่ถูกจองล้างจองผลาญในรัเสเซียสำนวนที่อาตมาอา่านตอนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเคมบริด